แล้วจึงถวายอภิวันวต์ไหว้ไต่ถามว่าพระผู้เป็นเจ้าจากไปสู่ประเทศอารามไหนพระนาค เ, เสษน์ก็บอกว่าอัตมานี้จะไปสู่ปาตลีบุตรนครเศรษฐีได้ฟังก็ชื่นชมอภิรมสโมสจรจึงมีสุนทรลวาจาว่าถ้ากระนั้นนิมนต์ไปด้วยกันส่วนพระนาค เ, เสษน์ จ, จึงว่าคำอันท่านว่านี้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 ไปเรียนพระพุทธวจนะเป็นสิงหผลภาษาในเมืองลังกาจบแล้วปรารถนาจะเรียนพระพุทธวจนะอันเป็นมคตภาษาจึงโดยสารสำเภามาสู่ชมพูทวีปนี้จึงไปสู่สำนักพระธรรมรคิดนมัสการแล้วก็ประดิษฐานอยู่ที่นั่นได้ยินคำพระนาคเสสนว่าจะขอเรียนพระพุทธวจนะดังนั้นจึงว่าขึ้นบ้างว่า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 อย่าร้อนมรอนเลยเราจะบอกให้แก่ท่านพร้อมกันทีเดียวในการบัดนี้พระนาคเษน จ, จึงว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้าพระเจ้ามิอาจที่จะเรียนพระพุทธวจนะพร้อมกันด้วยคำสิงหผลภาษาได้ด้วยพระติสาทะตะัตตนี้เจรจาเป็นสิงหผลภาษาด้วยประการดังนี้ เรื่องพระนาคเษนภิกษุเรียนพระไตรปิฎกกับพระธรรมรักขิตตั้งกิสสะเหตุเป็นคําปุจฉ่าว่าเหตุไฉนเมื่อพระอาจารย์ว่าจะให้พระติสะทัตตากับพระนาคเษนเรียนพระพุทธวจนะพร้อมกันพระนาคเษนนั้นว่าไม่เรียนพร้อมกันด้วยพระติสะทัตตากล่าวคําสิงหนภาษาวิสัชนาว่า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 จึงขัดอาจารย์อาจารย์ว่าให้เรียนด้วยกันท่วนถึงสามครั้งพระนาคเษนถอยหลังคิดได้ว่าอาจารย์ไม่บอกโดยสิงหนลภาษาดอกจะบอกเป็นมคคภาษาแล้วพระนาคเษนมาดำริว่าอาตมากล่าวถ้อยคำว่าไม่เรียนด้วยชีต้นสิงหลภาษานี้เป็นคำไม่ดีดูหยาบช้าเป็นภาริยกรรมเกินนักหนา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 หิงหิงสัตโทอันว่าสัท ธ, ธะสำเนียงกระหึ่หึ่งหึ่งประวัตติก็ระดมดังอึงไปเกลื่อนกลุ่มสิเีรุมหิในสิเีรุราชสิงห์ขอนเขาหลวงหลักโลกเลิศดกว่าเขาทั้งปวงปางนั้นฉันฉะกามาพจรมูอามอนสุรางคานิกรก็สมสรสาธุการเชยชมพรหมเจ้าฟ้าในมหาโสรถ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 เรื่องพระอรหันต์มาเตือนพระนาคเกษให้ไปทรมานพระยามิลินเตนะโขปนะสมยนะปัญจกโกติสตาอารหันตาแท้จริงสมัยปางนั้นโย์พระอรหันต์เจ้าร้อยโกรอันสถิตณธรารักขิตะเลนะทราบว่าพระนาคเกษ ส, สำเร็จอภินิหารก็ใช้พระขีนาสวะทูตนำข่าวสารบัญชาการให้หาพระนาคเกษ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 เรื่องพระยามิลินเสด็จไปถามปัญหาพระอายุปาลเถระที่อสศงขัยบริเวณเตนะโขปะนะสมัยเนะแม้ในสมัยปางนั้นยังมีพระมหาเถระผู้หนึ่งมีนามกรชื่อว่าพระอายุบาลปัญจนิกายิโกชั่ชนาญในนิกายห้าพระผู้เป็นเจ้าอาศัยอยู่ในอสศงขัยบริเวณตาาในการนั้น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 จึงมีพระราชองค์การพระพาธให้อมัดคนหนึ่งออกไปบอกพระอายุบาลว่าพระราชองค์การประพาธจะออกมาหาสนทนากันส่วนพระอายุบาลนั้นก็ว่าจะเสด็จมาก็เสด็จเถิดอมัดจึงเอาถ้อยคําพระอายุบาลนี้ไปกราบทูลสมเด็จพระเจ้าทรณีบดินมิลินบร ม, มกษัตริย์ได้ทรงฟังก็หันษา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 เข้าสู่สำนักพระอายุบาลนมัสการแล้วกระทาปฏิสันฐานโอภาปราสายกันไปมาจึงมีพระราชะองค์การตรัสถามว่าพันเตค่าแต่พระผู้เป็นเจ้าปัพชาอันว่าบัญชาของพระผู้เป็นเจ้านี้โกปธรรมะโถเป็นอัดอันอุดมอย่างไรพระอายุบาลแก้ไขวิสัชนาว่า มหาราชะดูราณะบอพิษอันว่ากิจบรรพชานี้จัดว่าเป็นธรรมจริยาและสมจริยาประพฤตจะให้เป็นประโยชน์เป็นผลแก่ฝูงเทวดาและมหาชนชะนี้แหละขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินนรินทร์จอมกษัตริย์คัดข้อซักถามว่าพันเตค่าแต่พระผู้เป็นเจ้า ขิหฮีธรรมจารีเทาว่าเป็นขราวาดเล่าเป็นธรรมจารีสมจารีประพฤติธรรมประพฤติเสมอเป็นอันดีโกจิอธิจะมีวิเศษบ้างหรือหาไม่ได้พระอายุบาลแก้ไขว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารขราวาาที่ประกอบการเป็นธรรมจารีสมจารี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 ครั้นเมื่อสมเด็จพระทศพลยังมีพระชนมายุอยู่นั้นโสดสเสด็จยังพาราณศีนครโปรดประธานธรรมเทศนาพระธรรมจักรกับประวัตนาสูตรแก่ปัญจะวะคีพิขุในป่าอิสิปตนามิคธายวันครั้นจบลงแล้วพรมทั้งหลายสิบแปดโกดได้ฟังก็สำเร็จประโยชน์ได้มากผลเป็นอริยะบุคคลอันอุดมพรมทั้งหลาย ย่อมเป็นครือขัดอยู่หมดจะได้อุปสมบทบรรพชาหามิได้ครั้นสมเด็จพระบรมโลกกาณาโปรดประธานพระสัตรธธรรมเทศนามหาเวสสันตะปริยายและขะที่รังคาระปริยายลาหุโลวาทะปริยายแทบประตูเมืองสังกศัศฝูงบริษัทยี่สิบโกดสำเร็จประโยชน์ได้มักผลคนทั้งหลายนั้น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 ผลกรรมนั้นดนจิตให้ชันหนเดียวดูบรรพชานี้ไม่มีผลถึงจะรักษาศีลสังวรวิไนก็ไม่มีผลและที่ว่าจะรักษาตบะชานก็ไม่มีผลจะรักษาซึ่งพรหมจันทร์ก็ไม่มีผลแล้วพระผู้เป็นเจ้าประการหนึ่งเล่าที่ท่านถือธูดงอโภโขกาดมิได้อยู่ในเสนาสนะแต่ปุบผชาติก่อนนั้นเป็นโจรเที่ยวปรน กระทำอกุศลทุจริตร้ายทำลายบ้านเรือนท่านให้เจ้าของต้องทรมานกินกลางดอนนอนอนาถหาอาสนะไม่ได้ผลอกุศลก็ดนใจให้ถืออัภโภกราดหาอาสนะนั่งนอนไม่ได้ทุกองคุณที่รักษาไว้จะได้ชื่อว่าศีลก็หาไม่ได้จะเป็นตบะหามิได้จะเป็นพรหมจันทร์ก็หามิได้ศูนย์เปล่า ประการหนึ่งเล่าที่ท่านถือธุดงอันชื่อว่าเนสัตชิกะนั่งลืมจักสุอยู่ไม่จำวัดนั้นชะลอยชาติก่อนจะเป็นโจรหยาบช้าเป็นโจรใจร้ายรามาคอยปล้นที่หนทางตีต่างตีกเกวียนเบียนบุกบันเข้าตีรันครั้นจับเจ้าของได้ก็ผูกมัดรัดมือไว้เก็บข้าวของโคกระบือไปได้กระทาไว้แต่ชาติหลังนั้น จึงเพอเอินให้สำคัญผูพกพันเอาเนสัศชิกะทุดงจะนอนลงมิได้นั่งลำบากตากตาอยู่โยมคิดดูซึ่งทุดงนี้ไม่มีผลจะเป็นศีลก็หาไม่ได้จะเป็นตบะก็หาไม่ได้จะเป็นพรหมจรรย์ก็หาไม่ได้ก็จะบรรพชารักษาทุดงไปต้องการอะไรปรนิบัติในคฤหัสถ์ก็ได้มรรคผลเหมือนกันแล้วนี้ เป็นขรืหัดอยู่ไม่ดีกว่าหรือนะพระผู้เป็นเจ้าเมื่อบรมปิ่นกษัตย์ตรัสท่านี้พระอายุบาลขี้คร้านที่จะตอบกระแสะพระราชาองค์การก็ดุษณีภาพนิ่งไปมิได้ถวายพระพรโตอ ต, อตอบต่อข้อปัญหาปัญจสตาโยนกฆ่าหลวงทั้งบวงห้าร้อยนั้นก็อภิวันทูลว่ามหาราชาฆ่าแต่บอพิษ ผู้สถิตในสังคะวัตถุการพระอายุบานี้ท่านชำนาญ น, นิกายหา้อาอวิสารโทรไม่กล้ากล้าที่จะวิสัชนาณกินจิปฏิภาสติจึงไม่ได้โต้ตอบต่อพจนานพระราชปุชชาในการบัดนี้อัทโขมิลินโธราชาอันดับนั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินทารราชเรื่องเดช จะได้ทรงสังเกตนับถือถ้อยคําข้าราชการทูลเฉลยนั้นหาไม่ได้เห็นพระอายุบาล น, นิ่งไปก็ตบพระหัตตร์ตรัสเย้ยว่าดูก่อนโยนกทั้งปวงเอ่ยอัตมาคิดดูทวีปชมพูนี้สิ้นสุดตุดโชวะโอ้มาศูนแล้วแท้จริงจากบุคคลที่มีปัญญายอดยิ่งปรีชาชาญหรือวัสมณะพรามนาจารย์ผู้ใด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 แท้จริงเราเป็นสมณะไม่ควรที่จะทุ่มเถียงไปมาที่จริงปัญหานี้จะวิสัชนาให้ฟังอีกก็จะได้แต่ว่าไม่ต้องการที่จะทะเลาะวิวาทข้อซึ่งอัตมาไม่แก้ปัญหาเนวะศาสน ส, สะอุลลุลิกาจะพาพระพุทธศาสนาให้เสื่อมเศร้าไปเป็นว่าหาไม่ได้นัมริในใจชนนี้แล้ว พรางทางอุทาการไปจากสถานที่นั้นส่วนสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปินทวีปชมพูก็เข้าสู่พระนครตั้งแต่จะทรงพระอนุส ร, ร์รำพึงที่จะถามปัญหาจึงตรัสถามโยนกข้าหลวงทั้งปวงว่ายังจะมีพระภิกษุรูปใดที่ปรีชาฉลาดอาจจะแก้ปัญหาพาให้เราสิ้นสงสัยมีที่ไหนบ้างโยนก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 อันขจรด้วยระลอกชนละทีอาจจะกาจัดเสียซึ่งคําเดรยรถ์ถีอันกล่าวติเตียนเป็นเสี้ยนหนามความไม่ดีเมื่อจะแปลบาลีก็รุ่งโรดไพร่ร่อกแก่โสดประสาทเมื่อจะประกาศซึ่งคําสั่งสอนก้าประการแห่งสมเด็จพระชินวรวก็มีพระกรกลุ่มแก้วกล่าวแล้วคือพระศาสนายกขึ้นเชิดชูแก่หมู่ประชาให้เห็นแสง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 พระพาถามทราบความชนนี้จึงกราบทูลว่ามหาราชค่าแต่สมเด็จบรมบพิษผู้ผ่านพิภ พ, พ, พเวียงชชยอย่าได้ทรงพระดำริเร่าร้อนพระไทยเลยบัดนี้ยังมีพระภิกษุองค์หนึ่งยิ่งยอดปรีชาโฉมงามมีนามชื่อว่าหน้าเกษณแสนฉลาดชาติพระหูสูตรทรงสุดตันตะไตรปิฎกเป็นสงฆ์าปริญายกอันวิเศษ สำเร็จปฏิเวท ธ, ธรรมมรคผลเป็นอักระบุคคลเลิศลำได้ปฏิสัมพิธาธรรมชำนานชานวาสีบารมีธรรมท่วนกำหนดเป็นอักระชิโนรสเรืองปรีชาทุกเทพชั้นช่อกกามาองค์อมรินดาวดึงสาวาสุยามยมวรุณกูเวนเวสวรัตตรถหมดทั้งเท้ามหาพรมเป็นบรมบิดา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 เรื่องพระยามิลินเสด็จไปหาพระนาคเสนเถระส่วนสมเด็จพระเจ้ามิลินนรินทราธิบดีได้สวรนาการทรงฟังก็เสด็จยังพระบวรสุวรรณวิชัยบุตรสมบกพระที่นั่งรถเทียนอันเทียมด้วยสินทบอาชาชานดูเห็นอารามเรืองประเทือนด้วยธงปากงอนรถงามระหงใบธงระบุระบาดพระภายพัดต้องแสงทอง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 สมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นกษัตริย์ขัตติยะเรืองเดชทอดพระเนตรเห็นแต่บริษัทธสงฆ์มิได้รู้จักองค์พระนาคเษนแต่ไกลมีพระราชโอษจากพื้นดินถามเทวะมันติยะอมหาว่าพระนาคเษนผู้ฉลาดองค์ใดนั่งอยู่ที่ไหนเทวะมนติยะอมหาผู้วัยปัญญาจึงกราบทูลว่าขอรับพระราชทานพระนาคเษนนิสัชนาการ นั่งอยู่กลางสงฆ์คือองค์นั้นเรื่องพระยามิลินทอดพระเนตรเห็นพระนาคเกษเถระ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 เหมือนกวางเห็นเสือเหมือนมรคีหมู่เนื้ออันเห็นสีหราชชาติไกลสอนเหมือนพระจันทร์ล้อมด้วยดาวดารากอนยีงรถพิมานจรจะพบอสุรินทารา ช, ชาราหูเหมือนวิลากับหนูเหมือนทีคาชาตินาคงูและเห็นครุดสุดที่จะกลัวตัวสันฉันใดพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นพิภพเวียงชัย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 จะถึงปราชาชัยหักลงไปวันนี้เป็นมั่นคงเฟนาหุโปรานาเหตุดังนั้นพระอาจารย์ผู้ประเสริฐเกิดในก่อนจึงกล่าวเป็นนิคมคาถาไว้ว่าจะระเนนปิสัมปนนังสุทันตังอุตตเมีธมีทิสวาราชานาคเสนังอิทังวัจนะมัปรวิ กิกามยาพาหูทิธาสากัะฉาโอสถาพาหูณตาทิสังพยังโหติอัจฉตาโสยถา ม, ามะนิสังสยังปราชโย و, มะมะอัจฉะพวิตสติชโยจนาคเสนัสสะยะถาจิตตังณสันทิตันติใจความในพระคาถาเหมือนในวิสัชนามาแล้ว